เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับผมนายกรคนชอบเล่าวันนี้กลับมาพร้อมกับนิทานฟังและสบายใจอีกหนึ่งเรื่องครับฟังกันเลยครับมีชายหนุม่มผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ของเขาในกระท่อมเล็กๆ เ, เขามีอาชีพเป็นช่างไม้ ทุกวันเขาจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปหาไม้มาทําเป็นโต๊ะบ้างทําเก้าอี้บ้างแล้วก็นําไปขายในเมืองเพื่อจะได้มีเงินไปเลี้ยงแม่ที่แก่เท่าชราและเจ็บป่วยอยู่เสมอแม้จะมีฐานะยากจนต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยตากตรำขนาดไหนตั้งแต่เช้ายันค่าทุกวันแต่ช่างไม้หนุ่มผู้นี้ก็ไม่ได้มีความย่อท้อหรือมีความพิจตอ ก, กังวลใดๆมากนะักทุกครั้งที่เขาเข้าป่าไปเพื่อจะตัดไม้เขาก็มักจะร้องเพลงอย่างมีความสุข เขาชอบที่จะทักทายสัตว์ต่างๆและเมื่อได้ยินเสียงนกร้องเพลงเขาก็จะผิวปากคลอตามไปด้วยดังนั้นเมื่อไดก็ตามที่เขาเข้าไปในป่าบรรดาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่และนกต่างๆก็มักจะมารายร้อมอยู่รอบเขาเสมอช่างไม้หนุ่มจึงสามารถเดินเดีอยู่ในป่าได้ตลอดวันด้วยเพราะก็มีเพื่อนสัตว์ทั้งหลายที่ช่วยให้ใคราเหงาได้เสมอวันหนึ่งขณะที่ช่างไม้หนุ่มกําลังตัดกิ่งไม้เล็กๆ ก, กิ่งหนึ่งอยู่นั้น เขาก็ได้ร้องเพลงไปด้วยอย่างมีความสุขเช่นเคยซึ่งน้ำเสียงของเขานั้นไพเราะมากเพราะมันเป็นเสียงร้องเพลงที่ออกมาจากใจที่มีความสุขเสียงอันไพเราะของเขาก้องกังวานไปทั่วป่าบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่ไม่เคยได้ยินแต่เมื่อได้ยินเสียงของเขาแล้วต่างก็ต้องตรงมาลายร้อมอยู่กับสัตว์อื่นเพื่อที่จะได้ฟังเสียงอันไพเราะของเขาและในป่านี้เองก็มีนางฟ้าเจ็ดองสถิตอยู่ เหล่านางฟ้านั้นได้ฟังเพลงของช่างไม้หนุ่มมาเป็นเวลานานแล้วจนในที่สุดวันนี้นางฟ้าทั้ง7จึงปรากฏตัวออกมาให้ช่างไม้หนุ่มได้เห็นและเมื่อช่างไม้หนุ่มได้เห็นก็ตกใจนักรีบคุกเข่ากราบไหว้เหล่านางฟ้าผู้งดงามทั้ง7จ็กระผมผิดไปแล้วกระผมผิดไปแล้วกระผมมาตัดไม้ในป่าของพวกท่านให้อภัยกระผมเถอะครับกระผมจะเลือกแต่กิ่งไม้เล็กๆที่ไม่ใหญ่นักกระผมจะได้นําไปทําเก้าอี้ขาย กรผมไม่ได้มีเจตนาจะทําลายต้นไม้ใหญ่แต่อย่างไดขอรับช่างไม้หนุ่มโดนลานกล่าวคําขออภัยแต่บรรดานางฟ้าทั้งเจ็ดองกล่าวว่าเข้าใจผิดแล้วละ่ะช่างไม้เอ๋ยเจ้าน่ะมีเสียงอันไพเราะ ย, ยิ่งนักพวกเราชอบฟังเพลงของเจ้าวันนี้เราอยากจะมาชวนให้เจ้าขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพวกเราให้มีหน้าที่คอยร้องเพลงขับกล่อมพวกเราและเหล่านางฟ้าองค์อื่นๆเจ้าจะตกลงไหม ช่างไม้หนุ่มได้ฟังก็ดีใจยิ่งนักที่เหล่านางฟ้าชื่นชมในเสียงเพลงของตนเองแต่ครั้นเมื่อไต่ตรองดูแล้วสักครู่ก็ได้กล่าวปฏิเสธออกไปว่าอันที่จริงตัวกระผมก็อยากขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เป็นยิ่งนักแต่ทว่ากระผมคงไม่สามารถไปอยู่ได้แน่เพราะกระผมยังต้องเลี้ยงแม่ที่แก่ชราและเจ็บป่วยอยู่ในตอนนี้หากไม่มีกระผมก็คงไม่มีใครเข้ามาหาไม้เพื่อไปทําเก้าอี้ไปขายในเมือง และคงไม่มีใครหาเงินมาซื้ออาหารหรือเสื้อผ้าให้กับแม่ของกระผมเป็นแน่เมื่อนึกฟ้าทั้งเจ็ดองได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวว่าเจ้า <_ S 1> ช่างเป็นคนดีช่างไม้เอ๋ยหากเจ้าไม่ต้องการขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ในตอนนี้ข้าจะให้รางวัลแก่เจ้าอย่างหนึ่งแต่เจ้าจะต้องร้องเพลงทุกครั้งเมื่อได้ก็ตามที่เข้ามาในป่านี้นะพวกเราจะได้ฟังเพลงของเจ้าว่าแต่เจ้าอยากได้อะไรเป็นรางวัลล่ะชายช่างไม้คิดอยู่ในใจว่า หากเขาขอรางวัลที่เป็นเงินทองนางฟ้าก็คงจะประทานให้แต่เมื่อมีเงินมีทองแล้วเขาก็คงจะมีความสุขสบายกายพอสมควรไม่ต้องมาตัดไม้ไปทำเก้าอี้ซึ่งหมายความว่าก็คงไม่มีโอกาสเข้ามาร้องเพลงให้นางฟ้าทั้งเจ็ดฟังอีกเป็นแน่และอีกประการหนึ่งการที่เขาได้เข้ามาตัดไม้ในป่าทาเก้าอี้สัดา a ละสถึงาครั้งนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกเน็ดเหนื่อยอะไรมากมาย และเมื่อทำเก้าอี้ไปขายก็มักจะขายได้เงินทุกครั้งจนพอมีเงินที่จะซื้ออาหารและยาให้แม่โดยไม่ต้องอดอยากแต่ถ้าว่าเงินที่ได้จากการขายเก้าอี้นั้นก็พอที่จะทำให้ได้ทั้งข้าวปลาและอาหารอยุ่หยาเท่านั้นไม่ได้เพียงพอสำหรับการซื้อเสื้อกันหนาวอันอบอุ่นให้แก่ตนเองและแม่ดนื่องจากเสื้อกันหนาวที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างดีนั้นมักจะมีราคาสูงมา ก, มากชายช่างไม้จึงตอบนางฟ้าทั้ง7็องว่า และผมอยากได้เสื้อกันหนาวที่อบอุ่นสักสองตัวขอรับสำหรับตัวกระผมเองหนึ่งและของแม่กระผมอีกหนึ่งด้วยเพราะในขณะนี้ฤดูหนาวก็ได้มาถึงแล้วนางฟ้าทั้งเจ็ดยิ้มแย้มอย่างงดงามและก็ได้ประทานเสื้อกันหนาวที่ทำด้วยขนสัตว์อย่างดีมีความหนานุ่มและอบอุ่นเป็นอย่างมากให้กับชายช่างไม้ชายช่างไม้จึงตอบแทนด้วยการร้องเพลงอันไพเราะให้แก่นางฟ้าทั้งเจ็ดได้ฟังจนกระทั่ง เย็นย่าตะวันใกล้ตกดินแล้วชายช่างไม้จึงได้ออกจากป่าหลายวันต่อมาช่างไม้หนุ่มนำเก้าอี้ไปขายในเมืองบรรดาเพื่อนๆของเขาก็เอ่ยถามขึ้นว่าเฮ้ยนั้นเจ้าได้เสื้อกันหนาวตัวใหม่มาจากไหนอะ่ะเจ้าขายเก้าอี้ได้ราคาดีหรือช่างไม้จึงได้เล่าให้เพื่อนๆฟังตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกประการแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะคิดว่าช่างไม้โกงเรื่องขึ้นมาเล่าเป็นที่สนุกสนานนั่นเองแต่ถ้าว่าในหมู่ที่ไม่มีคนเชื่อ กับมีช่างไม้คนหนึ่งเชื่อในสิ่งที่เขาได้ฟังเขาคิดในใจว่าเรื่องนี้คงจะเป็นจริงแน่เพราะเจ้าช่างไม้คนนี้ไม่เคยพูดโกหกใครแต่มันช่างโง่เขาไม่น้อยเมื่อนางฟ้าประทานรางวันให้แทนที่จะขอเป็นแก้วแหวนเงินทองกลับไปขอเพียงแค่เสื้อกันหนาวสองตัวซื่อบื้อจริงๆเมื่อช่างไม้ผู้นี้คิดเช่นนั้นแล้วเขาก็ได้วางแผนบางอย่างในใจวันต่อมา ช่างไม้ผู้นี้ก็ได้แวะไปหาช่างไม้หนุ่มที่ได้รับของผันจากนางฟ้าแก้งทําทีไปเยี่ยมแม่ของเขาและก็ถ่ายถามสัตว์ทุกสุขดิบสักครู่หนึ่งและเมื่อรู้แน่ชัดว่าช่างไม้หนุ่มจะไม่เข้าป่าเนื่องจากมีไม้พอที่จะทําเก้าอี้แล้วชายช่างไม้ผู้เป็นเพื่อนจึงรีบลื่อนลากลับแต่แท้ที่จริงแล้วเขากําลังมุ่งหน้าเข้าไปในป่าช่างไม้ผู้นี้นั้นได้เคยฟังช่างไม้หนุ่มร้องเพลงอยู่เสมอเขาจึงจําบทเพลงต่างๆได้ เมื่อถึงกลางป่าเขาจึงรีบอ้าปากร้องเพลงโดยพยายามดัดเสียงให้ใกล้เคียงกับช่างไม้หนุ่มที่สุดแต่ทว่าเสียงของเขานั้นนอกจากจะไม่ไพเราะแล้วยังน่าเกลียดเป็นที่สุดอีกด้วยบรนดาสัตว์น้อยใหญ่และนกนานาชนิดต่างก็พากันหนีหายแตกกระจายถไลไยไปหมดและเมื่อนางฟ้าทั้ง7ได้ยินเสียงเพลงอันน่าเกลียดกลางวันไปทั่วพื้นป่าก็ให้รู้สึกโกรธเคืองช่างไม้คนใหม่นี้ยิ่งนักนางฟ้าทั้ง7จึงมาปรากฏตัวต่อหน้าเขา ทำไมเจ้าจึงมาร้องเพลงอยู่ที่กลางป่าเช่นนี้มาใช้ช่างไม้เห็นนางฟ้าทั้งเจ็ดก็ปิติยินดียิ่งนักรีบตอบกลับว่ากระผมอยากจะร้องเพลงกับบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่านี้ขอรับนางฟ้าทั้งเจ็ดจึงถามต่อไปว่าเจ้าเข้ามาในป่านี้บ่อยหรือไม่ขอรับกระผมเพิ่งเข้ามาเพียงสองถึงสามครั้งแต่ก่อนหน้านั้นกระผมก็จะตัดไม้ที่เชิงเขามากกว่าปีนขึ้นมาบนภูเขานี้ขอรับนางฟ้าทั้งเจ็จึงกล่าวว่า การที่เจ้ามาร้องเพลงด้วยเสียงอันดังลั่นป่าเช่นนี้เจ้าคงจะอยากได้รางวัลจากพวกเราเป็นแน่เจ้าต้องการอะไรล่ะชายช่างไม้ดีใจจนเนื้อเต้นรีบเอ่ยปากบอกไปว่ากระผมเป็นคนยากจนมีอาชีพช่างไม้ทำเก้าอี้ทำโต๊ะขายได้เงินกระเพียงเล็กน้อยนิดแทบจะไม่พอกินกระผมอยากได้ทองคำแท่งสัตว์จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะได้ไว้ใช้อย่างสุขสบายขอรับนางฟ้าทั้งจิตยิ้มแย้มอย่างงดงามอีกแล้ว แล้วก็พยักหน้าพลางบอกว่าได้สิเจ้าจงหลับตาเสียก่อนแล้วดังฟ้าก็เรนมีมิตลังไม้ขนาดใหญ่ลังหนึ่งให้ประกฏอยู่ตรงหน้าของชายช่างไม้ข้าจะมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องแบกไปห้ถึงบ้านเสียก่อนถึงค่อยเปิดออกดูได้นะชายช่างไม้รีบกล่าวขอบคุณดังฟ้าจากนั้นก็รีบแบกลังขนาดใหญ่ลงจากเขาทันทีแม้ว่าลังไม้นั้นจะมีขนาดใหญ่มากเพียงใดจะหนักเพียงใด แชายช่างไม้นั้นก็ไม่ละพยายามเขาสู้สาแบกหลังนั้นด้วยความตื่นเต้นยินดีอยู่ในใจครั้นเมื่อออกจากป่าและลงมาถึงเชิงเขาแล้วชายช่างไม้ก็รีบตรงไปยังบ้านของตนเองแล้วก็รีบเปิดลังไม้นั้นออกทันทีแต่สิ่งที่ชายช่างไม้ได้พบกลับทําให้เขายืนตะลึงยืนนิ่งอยู่กับที่เนื่องจากว่าสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเขานั้นคือก้อนหินขนาดใหญ่จํานวนมากมายบรรจุอยู่ในหลังนั้นชายช่างไม้จึงสํานึกได้ว่า การที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับตนเองโดยคิดจะเรียนเสียงของคนอื่นเพื่อหวังใงวันที่ตนไม่สมควรจะได้รับก็ย่อมทําให้ต้องได้รับความอับอายและความผิดหวังเช่นนี้นี่เองนิทานเรื่องนี้อาจจะมีเป็นแง่คิดดีๆสอนว่าบางครั้งการทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองหากทำอะไรที่ไม่ใช่เป็นตัวตนของตนเองจริงๆแล้วผลลัพธ์มันก็มักจะออกมาไม่ดีคิดว่าอย่างนั้นไหมครับสวัสดีครับ